ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องนิพพาน ส, สูตรที่ที่เขาเรียกเป็นที่ว่าเจตุทะนิพพานสูตรคือเป็นสูตรที่ว่าด้วยนิพพานในสูตรที่ส่ข้อความในตอนต้นมีลักษณะชิ้นเดียวกับสามสูตรที่กล่าวไว้แล้ว หลพ่อเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเทศตะวันใกล้พระนครสาวัตถีพระเจ้าทรงแสดงธรรมะให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งสมาทานาฐานราเดิมโดยการเงียโสดลงสดับธรรมก็เป็นการเน้นลักษณะของการฟังธรรมที่ดี เวลาพูดถึงการความธรรมในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างต่างจากที่เราฟังในปัจจุบันท่านบอกว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเข้าไปหาสัตว์รุษเมื่อเข้าไปหาก็จะนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็จะฟังธรรมในขณะที่ฟังนั้นเงี่ยหกเงียโสดลงฟัง กำหนดข้อความพิจารณาข้อความคือแสดงว่ากระแสจิตนั้นแนบไปกับกระแสของธรรมะที่ออกมาจากปากของสัตว์ปรุษคิดไปด้วยแล้วฟังไปด้วยก็เรียกฟังแล้วคิดคิดตามที่ได้ฟังมันก็เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เพืบางทั้งบางคราวนี่ใจมันสงบอยู่กับกระแสของธรรมแล้วก็ธรรมที่แสดงนั่นเองได้เพิ่มปัญญาขึ้นเราก็จะพางปัญญาได้แล้ววิจารณาตามไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดความเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งในส่วนตัวเองด้วยแล้วก็รับการเสริมจากผู้แสดงด้วย โดยใกแค่กะหลบฟังอะไรและเข้าใจพก็ใจเรามองทะลุไปร้อยในพันไหนได้นะฮะมองในในยะต่างๆได้มนก็ํำนองใล้ายๆกับที่พระพุทธเจ้าซุ่มยกดอกไม้ขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วสั่งว่าพิสูจ์ทั้งหลายดอกไม้นี้มีสี่ชนิดแต่ที่ไในพระหัตถ์มันมีชนิดเดียว ก็ชนิดหนึ่งรูปไม่สวยแต่กลิ่นไม่หอมซึ่งก็หมายความว่าต้นเงินข้ามเนี่ยมันจะรูปสวยแล้วก็กลิ่นหอมแต่ในขณะเดียวกันมันก็ใกล้เคียงกับแผกเพีย้ยนคือส่วนหนึ่งนี้เหมือนกันส่วนหนึ่งแผกเพี้ยนกันดอกไม้บางชนิดรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอม มันเสมอกันที่กลิ่นแต่ว่าต่างกันที่รูปแล้วเหมือนกันที่รูปนะฮะแต่ต่างกันที่กลิ่นถดฝ่ยหนึ่งกลิ่นไม่มีแตีฝ่ายหนึ่งกลิ่นมีดอกไม้ชนิดหนึ่งนั้นรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมมันก็มาความว่ามันก็ต่างกันที่รูปแล้วก็เหมือนกันต่างกันที่ที่กลิ่นนะฮะต่างกันที่กลิ่นแล้วก็เหมือนกันที่รูป จะทําให้เรามองเห็นว่าดอกไ ม, ม, ม้มีสี่ชนิดคือรูปไม่สวยกลิ่นไม่หอมรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมแล้วก็รูปสวยด้วยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยแล้วก็สายการคิดแล้วตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นแม่บทที่เราคิดเรื่องอะไรก็ได้นะเช่นสมมุติว่าเราพูดถึงคนว่าคนบางคนที่ยุ่งยุ่งไว้เนี่ยสังคมเราเนี่ยมีคนกลุ่มหนึ่งไม่รู้แต่มันซี้ มีปัญหาตัวเนี้คือไม่รู้แล้วก็ชี้แ้วพวกอีกพวกหนึ่งก็มีปัญหาคือรู้แต่ไม่ยอมชี้ทีนี้พวกไม่ไม่มีปัญหาก็คือรู้แล้วก็ชี้ชี้ตามที่ตนรู้พวกหนึ่งก็คือไม่รู้แล้วก็ไม่ชี้นี่ปัญหา มัน เ, เราก็แยกออกไปก็เหมือนกับดอกไม้ดังกล่าวแล้วทีนี้เอาไปจับอย่างอื่นได้หมดเลยจับต้นไม้ก็ได้จับแม่น้ําก็ได้จับอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันมองพัลุออกไปเป็นสี่มิติเดียวกันบางที่เราเห็นอย่างเดียวนะฮะยังอย่างสมมุติว่าการมองธรรมะที่จริงต้องมองที่จิต เราอาศัยโครงสร้างที่ชัดเจนเนี่ยคือมองจากคุณสมบัติของระโสนบันรเราเห็นว่าคุณสมบัติตรงนี้มันจะอยู่ในส่วนอื่นๆของการปฏิบัติธรรมะมัะสาบันถ้ามองไประดับธรรมะปฏิบัติถึ่งเป็นเหตุเนะี่ยท่านทําสีในะสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณทีนี้มองไปด้านที่ต้องละ คือกิเลสสังโยชน์สามประการระดับคือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเอถือตัวถือตอนมิจิกิษาความเคลือบแครงสงสัยตีละปะตัตตระมาการถือมั่นโดยศีลบรอขอ้อปฏิบัติที่เคยชินทีนี้ถ้ามองในด้านปัญญากับศรัทธาปัญญาท่านเข้าถึงระดับจิติสสำปันโนคือสมบูรณ์ในทิติ เพราะเจนว่าปัญญาทำหน้าที่ขจัดกิเลสแล้วก็มองในด้านศรัทธาศรัทธาท่านจะมั่นคงไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระเจ้าพระธรรมประสงค์และในใจสิข่ขาเพราะพระโสดาบัตต้องเห็นทั้งสี่ด้านเห็นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้มันเป็นภาวะความขัดแย้งที่มันเป็นไปไม่ได้หมายความมาถ้าอย่างนี้มีอย่างนี้ต้องไม่มี อย่างนี้เกิดอย่างนี้เกิดนั่นควายดีด้วยกันนั่นควายชั่วด้วยกันอย่างนี้เกิดอย่างนี้ดับหมายความว่าควายชั่วกับฝ่ายดีค่ายชั่วเกิดฝวายดีดับฝวายดีเกิดควายชั่วดับเพราะพวกนี้เขาไม่มีลักษณะาารูปนี่ทำให้มองเขินโดยนยิย่าต่างๆเนี่ยเวลาคนขังเทศหลวงเจ้าก็ประสบความสำเร็จแต่บรรลุมรรคผล ลักษณะาการฟังเขานั้นรเราเห็นชัดเจนวสติสมัมปญญาในความพยายามมันทํางานประสานโสดคล้องกันแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยศรัทธาจะเพิ่มขึ้นสมาธิจะเพิ่มขึ้นปัญญาจะเพิ่มขึ้นประึจุดหนึ่งพวกนี้เข้าถึงความสมบูรณ์ก็เข้ากระบวนการของกุศลธรรมในขณะที่อกุศลธรรมก็ดับ หมายความว่าเมื่อศรัท ธ, ธาความเพียรสติสมาธิปัญญาเขาเกิดเนี่ยความไม่เชื่อความเครื่องแครงสงสัยโลภะโทสะก็ดับไประยะสั้นระยะยาวก็แล้วแต่พอความเพียรเกิดเนี่ยความเกลียดคร้านดับพอสติเกิดความเผลิเพลินหลงลืมดับพอสมาธิเกิดเนี่ยความฟุ้งซ่านแห่งจิตดับพอปัญญาเกิดเนี่ยโมหะมันดับ พวนี้จึงไม่มีลักษณะรวมกันทีนี้เมื่อพวกนี้ดับแล้วเนี่ยจิตใจเราก็จะเย็นจะสงบจะเย็นก็มีความสุขส่วนจะยิ่งจะย่อนก็เป็นรายละเอียดแต่หม้ยความมันก็ต้องเห็นในลักษณะนี้พระเจ้าจึงทรงแสดงว่าสุสูสังรัปเตปัญญงังฟังด้วยดีเนี่ยย่อมได้ปัญญา เมื่ออะไรก็ตามถ้าเราฟังได้ดีแล้วเนี่ยปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเห็นใน ญ, ญาติต่างๆอีกเป็นอันมากรู้จ่าทรงเห็นเหตุการณ์ตรงนี้แล้วก็ทรงเปล่งทรงเปล่งพุทธอุทานประศุนนี้ไม่รับสั่งกับภิกษุโดยตรงแต่ว่า ทรงทราบเมื่อความนี้ว่าภิกษุทั้งหลายนั้นเห็นแจ้งสมาทานอาถรรพ์รื่นเริงแล้วก็เงียโสดโลงสดับพระธรรมเทศนาทรงเป็นผุ้ทานเป็นการแสดงลักษณะของพระนิพพานอีกวิธีหนึ่งนะฮะบางข้อก็ซ้าบางข้อก็แผกอกไป รับสังว่าความวันไหวย่อมมีแก่บุคคลผู้อันตัญหาและทิฏฐิอาศัยมหมายความว่าใจใครในขณะใดก็ตามถ้าตัญหาหรือทิฏฐิยังครอบงำจิตอยู่คืออาศัยอยู่ที่จิตจิตจะต้องวันไหวเช่นความการตัญหาเกิดความอยากได้ มันหวัว่นไหวไปด้วยความอยากแล้วก็หวั่นไหวไปด้วยความอยากกลัวจะได้น้อยกลัวจะได้น้อยกว่าคนอื่นก็หวั่นไหวในทางที่อาจจะไม่ได้หัวใจของคนก็จะคิดมากถนาลอนสังเกตคล้ายๆกับคนประกอบธุรกิจอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปเนี่ยจิตใจเขาจะจดจ่ออยู่ในเรื่องหล่นั้นว่าผลจะออกมาเป็นยังไง หรือทำนองคล้ายๆกับคนแทงหวยอย่างเงี้ยจิตใจก็จะหวั่นไหวถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกถูกหรือไม่ถูกแล้วก็โน้มเอียงไปในทางถูกเราคิดข้าวข้างตัวเองพอไม่ถูกก็เกิดเสียใจมันก็แสดงว่าตัณหากลรมตัณหาที่ทำให้หวั่นไหวหรือแม้แต่พวกภาวะตัณหาเช่นความอยากเป็นต่างๆ ความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นในฐานะตำแหน่งต่างๆจิตใจของคนก็จะหวันไหวเมื่อก่อนไปเทศในงานศพของพระหมหาเทรารูปหนึ่งก็ปรากฏว่าเขาจะรีบขอพระราชทานเพลิงก่อนที่จะถึงเดือนตุลาเพราะอะไรเพื่อไม่ต้องการจะทำให้ พระที่จอคิวอยู่เนี่ยเกิดความหวั่นไหวกลัวตัวเองกลัวจะไม่เผากลัวตัวเองจะช้ายังไม่ได้ขึ้นอะไรจ ะ, ะไรเนี่ยและที่จริงพอเรามองอย่างเนี้ยว่าแม้แต่เผเาไปแล้วนะพระจะทำเรื่องไปแล้วก็มีพวกที่รอจอคิวอยู่นี่ก็หวั่นไหวเี๋ใครจะได้นะเพราะตําแหน่งมันน้อยคนมันคนมากพคนนั้นก็จะจะหวั่นไหว นี้พวกเสมอนอกเองก็จะหวั่นไหวนะฮะดูที่ใครจะได้แล้วใครจะไม่ได้ อ, อะไรอะไรก็จิตใจจะหวั่นไหวเพราะอะไรเพราะอาศัยตัณหาแต่พวกที่จ่อคิวก็ตัณหาคืออยากจะเป็นเองพวกที่แล้วในขณะเดียวกันก็หวั่นไหวว่ากลัวคนอื่นจะได้เป็นคือหวั่นไหวสองหวั่นไหวหวั่นไหวว่าตัวเองจะไม่ได้เป็น หวั่นไหวว่าคนอื่นจะได้เป็นและหวั่นไหวว่าอยากจะเป็นเองในขณะเดียวกันก็หวั่นไหวว่าคนอื่นก็จะได้ทีนี้คนเสมอนอกมันก็หวั่นไหวหวั่นไหวว่าพวกของเราจะได้หรือว่าคนอื่นจะได้มันจะมีการติดตามสื่อสารกันในเรื่องเหล่านี้นะเอ็นดูนะ คือบางทีเนี่ยมีคนโทรมันจะต่างจังหวัดมาถามถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นได้ไหมคนนี้ได้ไมบอกบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยสนใจเลยนะแม้ตัวตัวเองเป็นก็ไม่เคยรู้เรื่องนงาไม่เคยสนใจอะ่ะพอเราไม่ไม่เห็นจะต้องไปเดือดร้อนอะไรกัเรื่องกบบนั้นเป้นก็ได้ไหมเป้นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ทำงานมีหน้าที่ของเราคือทำงานทำงานไปจนกว่าจะสิ้นลมปราณ แกมาเองมันมองว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศบนพระแท่นที่ประนิพานนะจนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพเมก่อนก็ไปอบรมประจังก า, การก็เน้นในท่านตรนักเนี้ยว่าพระาศาสดาของเรานั้นทำงานจนวาระสุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพแม้พระชนมหนักจนจะเป็นนิพพานแล้วก็ยังเทศเราเป็นใครอะ เราเป็นใครที่ไม่ตามรอเสด็จรออยู่คนบาทของพระองค์เพราะเราทำงานจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตเราได้เป็นแล้วคือเป็นพระแล้วก็จะได้รับแต่งตั้งอะไรหรือไม่มันก็ไม่ได้แปลกอะไรอะ่ะเราก็ทำงานของเราได้ตลอดเพราะถ้าเราคิดได้อย่างนั้นเราจะ็นว่าัจเราจะไม่หวนไหวไม่ใช่ไม่หวนไหวแบบพระอระหันต์หรอกแต่ว่า จะไม่ไปใส่ใจสนใ จ, จติดตามสอบถามแล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันทั้งหมดมันก็เสียเวลาปเปล่าๆแต่ตราบใดที่เรายังมีตัณหาเนี่ยหวั่นไหวมากหรือหวั่นไหวน้อยมันก็คงจะมีเแต่แต่ว่าเราทําใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะบีเรื่องนึ่งหรือเพราะว่าตัณหาก็จะมีลักษณะยอย่างนีน้คือไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นก็หวั่นไหวกลัวจะต้องได้ต้องมีต้องเป็น หมาความสิ่งนั้นเราไม่ชอบเราไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีมันต้องการเป็นมันกม็มีอะไรนะฮะมาจากยินดียินร้ายเหมือนเดิมกามาตัณหาเพราะวาตัณหามันก็มาจากความยินดีวิวาตัณหาก็มาจากความยินร้ายแล้วมันกลายเป็นทิฏฐินะฮะคือเราจะเห็นว่าตัณหาในที่จริงมันมาจากทิฏฐิที่เราอยากได้เราอยากมีเราอยากเป็น เพราะเราเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นจะเที่ยงแท้ยั่งยืนตลอดไปแค่ๆก็จะเป็นตลอดไปการเป็นก็เราจะไม่แปรผันที่จริงแล้วความเป็นเนี่ยมันอยากเป็นต่อให้เราสังเกตเลยสมมติเราเลื่อนตาแหน่งมาเป็นข้าราชการก็ได้เป็นร้อยตรีอยาเป็นร้อยตรีมากเลย พยายามสมัครเข้าเรียนตนะั้งแต่โรงเรียนเตรียมมาต่อสู้ฝันฝวาปัญหาภาษาอันตรายมนาะพอจะเป็นร้อยตีสักพักเรอยากเป็นร้อยโทรล้วพอจะเป็นร้อยโทสภกักก็อยากเป็นร้อยเอกแล้วพอไปถึงพลเอกก็อยากจะมีตําแหน่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมันไม่หยุดหรอกไม่หยุดเพราะอะไรเพราะเข้าใจว่าภาวะตรงนั้นที่แท้แต่ถ้าเรายังยึดติดอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ย เราประสบกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนมากจะชอ็อกและจะมีอาการซึมเศร้าเซลเสียใจยแรงอาจจะถึงโรคเฉาตายก็ได้เพราะฉะนั้นปัญหากับทิศทิิเนี่ยเขาจึงอิงอาศัยซึ่งกันอะไรกันหมายความว่าถ้าเราไม่มีทิศทีเนี่ยตัญหาจะอยู่ในกำกับได้เลยมันไม่ถึงกระลาได้นะฮะเพราะว่า ทิฏฐิเนี่ยเราละได้ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันพระอริยบุคคลระดับโสดาบันนั้นท่านละสักกายทิฏฐิได้แต่ทิฏฐิที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นท่านก็ละไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันสืบเรื่องมาจากอริชสาเมื่อวิช า, ชา ย, ยังไม่ดับเนี่ยทิฏฐิบางอย่างมันก็ยังละไม่ได้มนุษยคนจะต้องมองเห็นโทษของตัณหามองเห็นโทษ ข, ของทิฏฐิ กำกับตัณหาเอาไว้อย่าให้ถึงกับอยากได้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรคือตอนอะไรละ่ะปลายเดือนแถววันที่สิบหกสิบเจ็ดมีนาที่ผ่านมาเนี่ยคือได้ยินข่าวว่ามีการเดินขบวนของพระมาคัดค้านเรื่องการ อะไรเข้าตลาดหลักทรัพย์บริษัทที่เกี่ยวกับกับเบียร์หรืออะไรเนี่ยนะเป็นความผิดพลาดอย่างแรงเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแรงมากๆแรงจนน่ากลัวคือทำให้เห็นว่าพระนั้นลืมไปทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าผลานทรัพย์เขาคีประโยชน์ที่เขาจะได้เราเกิดไม่ได้เขาเกิดไม่ได้เพราะพระไปขัดขวางเอาไว้ ทั้งควคังคงจะเคยเจอตำราทางวาสัชนาเนี่ยแสดงว่านายพลานกับพระเนี่ยเขาถือว่าเป็นอัิโมกข์คนเห็นพระเนี่ยพออาจารย์พระเดินมานายพลานเขาจ้องจะยิงใส่พระเดินมาสัตว์มันวิ่งหนีเนี่ยเป็นการหักรานประโยชน์ที่เขาจะเพึงได้หรือเขาไล่ไม่ได้ไปเรื่องของเขาแต่เราไปทําอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นการผลาน เป็นการทำลายผลประโยชน์ของบุคคลอื่นภารกิจในการสอนธรรมะนั้นเราจะต้องเข้าใจนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าละเอียดอ่อนมากเช่นสมมติว่าเราต่อต้านสารประภูมิเราต้องชี้แจงให้เห็นในแง่ของความเป็นโทษแต่ไปพูดถึงการทุบทำลายสารประภูไม่ได้ ถ้าไปบอกให้เขาทำลายหรือบอกว่าจะทำลายเองเนี่ยอย่าลืมว่าสารวรภูมิเป็นทรัพย์ถ้าราคาเกิดห้ามาสกุกเรามีปัญหาทันทีเลยการมองรอบด้านรอบรอบคอบนะะจึงเป็นเรื่องจำเป็นคือพอพอเกิดเหตุการณ์นี้มากนนึกนึกทันทีโอ้โหพระนี่ทำไมทำไมขาดความเฉลียวขนาดนั้นล่ะ ใครเป็นคนชี้นำใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแต่เราเห็นว่าเป็นการจัดตั้งเห็นภาพปั๊บเราก็รู้วเป็นการจัดตั้งมีคนหนุนหลังอยู่เบื้องหลังเพราะใครช้จ่ายสูงนามาขนาดนั้นนี่นี่คือคืออะไรคือทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมันวิปริตไปไม่มีปฏิปทาของพระอระหันต์พระพุทธเจ้าที่ทำอย่างนี้ พระพุทธเจ้าไปสอนนายพรานเบ็ดชื่ออริยะไม่พูดเรื่องตกปลาสักคำหนึ่งไม่พูดเรื่องตกเบ็ดสักคำหนึ่งแต่พูดถึงความหมายของคาว่าอริยะครั่งไปครั่มานายพรานเบ็ดชื่ออริยะนี่แก็อยากเป็นอริยะแบบพระพุทธเจ้าคือเหมาะสมแก่ฐานะของอริยะแกก็ทิ้งเบ็ดแกเองพูะเจ้าไม่ได้พูดถึงเบ็ด ไปสอนคนบูชายันไม่ได้พูดถึงโทษของการบูชายันให้ทุกไม่ทำลายโรงพิธีบูชายันอะไรต่ไรไม่ได้พูะเจ้าไม่ใช้เพราะนั่นคือทรัพย์สินเขาเราสังเกตร่องรอยอาสมของท่านปุราณชนนดินย้อยู่จนปัจจุ บ, บันและนี่คือความคิดที่ละเมิดละไม แล้วพอรู้ข่าวก็โทรคุยกับนักวิชาการทางาศาสนาท่านหนึ่งเป็นเรียนธรรมเก้าประโยคนะฮะเป็นดุษรีบัณฑิตกิติมศักดิ์ตรงกันเลยนะังชิดตองอรงกันเลยว่าอันตรายจะต้องให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะไม่อย่างนั้นพระจะกลายเป็นเครื่องมือของพวกกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเสี่ยงต่ออาบาดแตนะ่เขาไม่เป็นอาบาดอ่นะแต่เรามีอาบาดเทวดาพร ะ, ระนั่นคือเรื่องทิ่ถแล้วก็ตัญหาด้วยนะคืออยากแต่เราลืมไปว่าถ้าเราต่อต้านอย่างนี้มันไกลมูลกรณีนะฮะอย่าลืมว่าเราต่อต้านเรื่องเรื่องตอนปลายของสุราพระเจ้าไม่ไปพูดเรื่องโรงต้มกันสุรา เพราะอะไรนั่นคือทรัพยากรแต่พระเจ้าจะชี้โทษของการดื่มสุราเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมมันไม่จมําเป็นหรอกใครจะต้มสุราก็ต้มไปถ้าคนไม่ดื่มมันก็จบแต่เราก็ต้องยอมว่ามนุษย์แต่มันแก้ปัญหาขนาดนั้นไม่ได้พระเจ้าจึงสอนระดับของอบายามุกนะะไม่เค้สอนแบบศีลเพราะมันเป็นศีลไม่ได้เลย มันเป็นเรื่องของคนจยต้องสมัครใจตัดสินใจคิดตัวเองจะเลือกวิธีปฏิบัติเพื่อความสบาดีแกนตนเองโดยอย่าลืมว่าคนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันบริเรียนในประวัติศาสตร์สมัยแอนคาโพลชิกาโกเนี่ยเมืนชิคาโกของสหรัฐอเมริกา ย, ยกเลิกการดื่มเหล้าทุกชนิด ผลท้ายมันออกไปอย่างไงออกมาจากเหล้าเถื่อนการต้มเหล้าเถื่อนคนกินเข้าไปตายมีปัญหาเกิดเล่าข้ามเขียข้ามลัดเล่นข้าวโพลเลกลายเป็นเจ้าพ่อใหญ่ไปเลยคุมการค้าเหล้าเถื่อนการผิดเหล้าเถื่อนแล้วผลท้ายเดี๋ยวนี้ชิคา โ, โกก็มีเหล้าเหมือนเดิมจะทําอย่างนั้นมันทาไม่ได้ แต่ถ้าเราสอนคนอบรมคนสร้างลักษณะนิสัยของคนมาตั้งแต่เล็กๆผพ้ที่ไม่เชื่อก็ปล่อยเขาไปก็เป็นไปตามกรรมเขาผู้ที่เชื่อก็จะเป็นตามกรรมดีของเขาแต่เราล้าเส้นมากไม่ได้นะความเป็นพระนี่มันมีเส้นขึ้นมาล้าเส้นไปขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องของพระแล้วแต่ว่าดูหนังสือพิมพ์ปรากฏว่าเราไม่คุ้นหน้าเลยทักองเดียว เลยสอบถามพระหลายรูปว่ารู้ไหมว่าพระนี้มาจากไหนไม่มีใครรู้ถามมาหลายรูปแล้วทั้งพระรุ่นหนุ่มทั้งพระรุ่นผู้ใหญ่ไม่มีใครรู้เห็นไหมนั่นคืออาการของตัณหาการทิตฐิเลวันไหววันไหวไปตามเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่อยู่เบื้องหลังเยอะนะฮะถ้าศึกษาให้ดีเราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องอยู่เบื้องหลังนี่จะเยอะมากมันจาเป็นจะต้องติดอาุ คือปัญญาให้แก่พระภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาถ้าห้าสงฆ์จะต้องตื่นตัวอย่างแรงนนะเลียมไม่อยู่ได้ในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมันมาเร็วมากเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆและถ้าคนเราอยังถูกชี้นำอย่างนี้แบบง่ายๆนะฮะโดยลืมถึงสถานภาพตัวเองแล้วเสี่ยงอันตรายรับสั่งต่อไปว่า ย่อมไม่มีแก่ผู้อันตนาและทิฏฐิไม่อาศัยหมายความว่าไอ้ตัวความหวั่นไหวเนี่ยให้ลองสังเกตว่าความหวั่นไหวในที่นี้เป็นการหวั่นไหวไปตามกระแสของกิเลสตามอารมณ์นะพูดภาษาตามตา ม, ตามอารมณ์ก็อย่างที่เคยพูดเรื่องความกลัวความกลัวคือความหวั่นไหวทางจิตคนที่กลัวเนี่ย เขาเรียกว่ามีธรรมชาติของความเป็นผู้ขาดคืสัตว์บางชนิดเนี่ยเขากลัวกลัวเป็นธรรมชาติของเขาก็าไม่รู้จะว่าอย่างไรนะไอ้ น, นั่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรามีปัญหาเรามีกิเลสอยู่ภายในใจอันนี้จะเกิดกลัวเกิดกลัวจะไม่ได้เกิดกลัวจะได้ไม่ดีเกิดกลัวจะได้น้อยนะเกิดกลัวว่าได้ไปแล้วจะมีปัญหาโอ้สารพัดะไยกลัวไปสารพัดดัง ดีอันหนึ่งคือตอนมีปัญหาเรื่องความประพฤติอาจจะผิดศีลอาจจะผิดกฎหมายอาจจะผิดอะไรอยู่แล้วเกิดหวั่นไหวจิตใจก็จะหวั่นไหวเพราะกลัวการโจทุง่งการจับกุมคุมขังการลงโทษจากทางราชการเป็ตนต้นเพราะความหวั่นไหวเหล่านี้ที่จริงเนี่ยถ้าเราสาวให้ดีมันมาจากกีเลห คีอปัญหาที่เราน่าสลดใจในทั้งคนไทยนะนะว่าเรามีพระพุทธศาสนาที่สอนสัจธรรมได้ลึกซึ้งว่าธรรมต้องปวงเกิดแต่เหตุจะดับไปก็เพราะความดับแห่งเหตุนี่คือหลักง่ายๆทำทั้งหลายมมนเกิดแต่เหตุและเหตุนั้นไม่ใช่รูปธรรมให้จับไปอย่างนึงเลยว่าเหตุไม่ใช่รูปธรรมถ้ายังเหตุเป็นรูปธรรมอยู่ไม่ใช่เหตุแท้ เหตุแท้ต้องเป็นนามธรรมเหตุแห่งความทุกข์สารพัดปัญหาสารพัดอาชญกรรมสารพัดจึกสงครามทั้งหลายทุกรูปแบบมาจากกิเลสคือสมุทัยกิเลสข้อใดนั้นเป็นรายละเอียดว่ากันไปคุณความดีสารพัดดีทั้งหลายจนถึงมรรคผลนิพพานนั้นจะต้องมาจากกุศลธรรมคืออารนะีมัตมาจากอื่นไม่ได้หรอก แล้วอยู่ในกรอบของอริยมรรคนั่นแหละแม้จะสอนจากศาสนาอื่นก็ตามมันก็อยู่ในกรอบของอริยมรรคเพราะอริยมรรคมันครอบครมหมดแล้วเธอคิดอะไรก็คิดไปอ่ะมันออกนอกกรอบของอริยมรรคไม่ได้ถ้าคิดดีนะฮะถ้าคิดดีถ้าทําดีถ้าพูดดีเดี๋ยมันก็อยู่อย่างเนี้ยอยู่ในกรอบของอริยมรรคเหมือนคล้ายๆกันเรามองเห็นสังขารว่าเที่ยงเนี่ยมันคิดนอกกรอบอริยมรรค อริยมรรคท่านบอกไม่เที่ยงปัญญาที่เห็นชอบเนี่ยเห็นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือสัมมาทิฏฐิจริงๆเนี่ยเรียกปัญญาที่เห็นชอบเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเห็นสังขารทั้งหลายทั้งบวงเป็นทุกข์เห็นธรรมต้องบวงปิดอนัตตาคุณไม่เห็นว่าเที่ยงมันนอกกรอบนอกกรอบอริยมรรคแล้วคุณก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าการเห็นอย่างนั้นมันเป็นอาการของสมุทัยเราไม่พยายามสาวเรื่องตรงนี้ แม้แต่วัตถิบริโภคนิยมเองถ้าเราไม่มีตัญหาเราไม่มีความโง่มากๆเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องตกไปเครื่องมือบรรดาก็ดูข่าวอะไรเขาทานายทำนายเรื่องนาฬิกาของดาราภาพยนตร์รุ่นเก่าคนหนึ่งให้เด็กเขาทายราคาเท่าไรราคาสูงสุดเท่าไรเด็กเขาตอบว่าเจ็ดมืน เราก็ตกใจแล้วในกาเจ็ดหมื่นเราก็ตกใจแล้วปรากฏว่าพอเฉลยในสองแสนกว่านั่นคืออะไรอะ่ะมันเป็นตระหามันเป็นโลภะมันเป็นโอ้อวดมันเป็นแข่งดีมันเป็นกิเลสเท่านั้นเลยแล้วผนสุดท้ายตัวเองสวมนาฬิกาอย่างนั้นไปในที่เปลี่ยวเนี่ยเพื่อนผู้หัวแย่งนาฬิก า, ากได้ก็หวัน่นไหวอ่ะทีนี้ เห็นไหมว่าเอาเขาจริงมันไม่ใช่จิตมันนิ่งจิตไม่ได้สงบจิตจะหวั่นไหวตัวอันตรายก็ในวันเดียวกันนั่นแหละโน เ, เปอร์สุมเมตเขาปตาตกรถาที่รู้สึกจะจุลาหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าในหลวงสมงใช้นาฬิการาคาเจ็ดร้อยในขณะที่เราเป็นราชดอย ชกกายนาคาเรือนแสนเขาบอกบางเรือนเป็นล้านก็มียังนึกไม่ออกอะนึกไม่ออกว่าอันนี้คือลทัทธิบริโภคนิยมถ้าเราไม่มีตัณหาเราไม่มีทิฏฐิที่ผิดเนี่ยผิดไปเถอะมันก็กองไม่มีราคาอย่างนั้นแหละเห็นไหมมันทําให้จิตหวั่นไหวเพราะว่าตัณหากับทิฏฐิมันอยู่ข้างในอันนั้นของเราของเราของเราทิฏฐิเนี่ย เป็นตัวเป็นตนที่ใหญ่ต้องเคืองนะจะต้องสวมนาฬิกาอย่างนั้นต้องนั่งรถอย่างนั้นต้องมีคนติดตามอย่างนั้นอะไรๆสารพัดเลยเพราะอะไรเพราะแสดงว่าใจหวั่นไหวกลัวอันตรายกลัวอันตรายที่เกิดขึด้นทีนี้ท่านบอกว่าเมื่อความหวั่นไหวไม่มีเพางนนคุณลักษณะของระหารอีกคาหนึ่งทเรียกว่าตาที่โนคือคงที่ อะไรจะเป็นอะไรก็ตามทั้งหมดคงที่อย่างนั้นภูปมาเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่ออรมณตอต่อต่อลมต่อฝนต่ออะไรก็ตามที่พัดมาจะพิษทั้งสี่ภูปมาดีนะภูเขาศิลาแท่งทึบที่ไม่หวั่นไหวต่อลมซึ่งพัดมาจะพิษทั้งสี่ไม่ใช่ภูเขาที่เป็นหลือเป็นกีบเป็นอะไรอยู่นะฮอั้นก็พังได้เหมือนกัน เราคิดแล้วเราเห็นภาพทีนี้ถ้าไม่มีความหวันไหวเนี่ยต้องมีปัสสติปัสสติประวจิตสมสงบกายสงบจิตวาจาสงบจิตสงบตัวสงบจริงๆคือจิตไม่มีกิเลสอยู่ภายในก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอยู่ภายในเพราะเราวันไหวด้วยทุกบ้างด้วยกิเลสบ้างไง น, นะสรุปแล้วด้วยทุกบ้างด้ยกิเลสบ้าง แต่เมื่อไม่มีทั้งสองอย่างมั่นก็มีปสัสสทธิคือสงบสงบกายสงบวาจาสงบตัวนี้ถามมาโดยเสด็จได้ไหมก่อต่อมาได้ระดับหนึ่งอารมณ์โลกที่เรียกว่าโลกาพิวัต มีคนมันกอนเนี่ยพบกับญาติโยมเขาที่ทางเมืองนนเขาก็เสนอว่าในโลกโลกาพิวัตรเนี่ยมันจะต้องแก้ไขด้วยด้วยสิวิไลแล้วเขาก็พูดว่าอาตมานี่สามารถทำได้บอกโอ้ยเราไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรจะไปทำอะไรได้ซิวิไลมันเกิดไม่ได้นะฮะถ้าไม่ได้พัฒนาจิตเนี่ย ถ้าจิตยังต่ำอยู่เนี่ยอยู่คฤหาดได้รู้ยังไงก็ตามนะเมื่อก็เป็นป่าคอนกรีตอยู่โรงแรมใหญ่มืหิ ม, มาเมื่อก็เป็นป่าคอนกรีตเพรา ะ, ะว่าสิริไลจริงๆมันอยู่ที่สภาพจิตและภาพจิตที่อย่างที่ยกเอาคุณธรรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยอย่เตอร์สเมสตันทิเวสกุลมื่ก่อนเาก็ยก สภิราชจะทมที่ในหลวงทรงปฏิบัติเนี่ยที่น่าทึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าตั้งแต่เขาตามเสด็จในหลวงมาเทลาไยี่สิบแปดปี อ, อะไรเนี่ยคือแม้แต่มดบวกในในหลวงไม่เคยฆ่าแล้วเขา ย, ยกตัวอย่างว่ามือเคยปริงเคยเกาะทรงไปทางปากใต้ไปตรงไหนไม่รู้ ก็ให้รถบุดแล้วก็ดึงปริงโยน ล, ลงไปในน้ำนั่นก็แสดงว่าหนักแน่นกเพระไทยหนักแน่นมากคืออยู่ในศีลในธรรมที่หนักแน่นมากนั่นก็หมายความไงหมายความว่าบรรดากิเลสต่างๆนี้ลดลงไปจนเราเรียกว่าเป็นธรรมมิก ร, ราชก็เป็นราชาีิราช เป็นธรรมิกราชเป็นพระราชาที่ทรงธทำหรือว่าประกอบไปวยธรรมถึงก็หมายความว่าใครก็สามารถที่จะทําได้อย่าไปยกอย่าไปยกว่านี่เป็นเรื่องของพระเจ้าแผ่นดินเข mm hmm. าจะพิรารณาทำเป็นเรื่องพระเจ้าแผ่นดินเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ใช่ราชาระแปลว่าพูดทำให้ประชาชนชื่นชมยินดีใครก็ได้ให้ปฏิบัติได้เลย เพราะทศทิฏฐิได้จะทำไม่มีอะไรเป็นหลักการคลองตนครองคนครองงานแล้วก็นําไปสู่การครองเรือนคลองสุขเป็นธรรมะทั่วไปนี่แหละแต่ว่าจัดเข้าไว้ในที่หนึ่งเท่า น, นั้นเองไม่มีอะไรคือธรรมะนี้ก็ปรากฏอยู่ในที่อื่นๆแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกระบวนการโดยซ้ําไปนะฮะถ้าเราจับหลักอวิโรธนะได้มันก็เหมือนกับจับกุศลกบฏที่สมาธิิได้เนะี่ยอย่างอื่นก็มาเอง เพราะวิวัฒนาก็เป็นลักษณะของปัญญาสมาทิฏฐิก็เป็นปัญญาเพราะปัญญาเกิดเยมันเห็นคุณค่าของกุศลธรรมเรานั้นเห็นโทษของการไม่มีกุศลธรรมเรานั้นเพราะว่าถ้าเห็นชอบตามสนองของธรรมธรรมอีกเก้าข้อก็เกิดเองครับเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของเขาเป็นกระบวนการของธรรมะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอย่างที่ว่าเนี่ยทีนี้พอมีปัจจัยเนี่ย ก็ย่อมไม่มีความยินดียินดีด้วยอำนาจกิเลสนะฮะไม่ใช่ยินดีในธรรมยินดีด้วยอำนาจของกิเลสเมื่อไม่มีความยินดีก็ย่อมไม่มีการมาการไปเห็นไห้ว่าฉันทะราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจของความพอใจแต่มันเป็นอาการของกิเลสทีนี้บริกิเลสนี่นีง เมื่อจเข้าถึงปัจสถานะอย่าลืมว่าปัจสถานะแล้วเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาแล้วก็ไปเพิ่มสติไปเพิ่มคำวิจัยไปเพิ่มวิริยะขึ้นมาจนเข้าถึงความสมบูรณ์ก็ไปไปนู่นแล้วนิพผานล้ดังนั้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีแล้วก็ไม่มีต่อไปในะฝ่ายขององกุศลทั้งหลายฝ่นะายที่เป็นผลมาจากกิเลสทั้งหลายหรือฝ่ายที่เป็นอกุศลทั้งหลายจะไม่มีตามไป วันนี้เป็นการพูดถึงสภาพจิตที่เป็นผลของอะเรมาส์มันกคือจิตที่เป็นนิโรธที่เข้าถึงนิโรธเพราะนั้นควายทุกข์กับขวามสมบูรไทยมันก็ไม่มีถ้ามีก็แสดงมันยังไม่ถึงนิโรธมักก็ยังไม่สมบูรณ์อันนี้มักสมบูรณ์พูดระดับมักสมบูรณ์นะครพูดระดับของนิโรธที่สมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันบางครั้งไม่ถึงก็สมบูรณ์หรอก เราบรรเทากระแสะของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายได้เราลดละทิฐิที่มันแรงๆระฮะทิฐิที่แรงๆให้ลดลงไปได้ก็จะเกิดปัจสถาได้ระดับหนึ่งไม่มีการมาไม่มีการไปนี่คือลักษณะอย่างที่กล่าวไวในคาถาก่อนนะค า, าก่อนก็ทรงแสดงว่าไม่มีการมาไม่มีการไป เพราะอะไรเพราะไม่มีตัวตนให้มาแล้วไม่มีตัวตนให้ไปนี่ผ่านจิงว่างว่างจากตนว่างจากของตนว่างจากความเป็นตัวเป็นตนเพราะอะไรเพราะตัณหามาณทิฐิมไม่รูที่ทรงแสดงนะทรงแสดงว่านั้นไม่ใช่เรานั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา ควมไม่ด้วยปัญญาชอบต้องออกมาในลักษณะอย่างนั้นและกิเลสที่ชื่อต่างๆมันก็ดับไปถ้าปัญญาเข้าถึงความจริงระดับนั้นด้วยญาณ น, นะฮะไม่ได่เข้าถึงธรรมดาไม่เข้าถึงโดยการพูดได้ปัญญายได้มันอีกระดับแล้วก็เมื่อไม่มีการมาการไปก็ไม่มีการจุติและการอุบัติไม่มีการจุติเพราะไอ้การจุติเนี่ยมันเป็นผลมาจากกิเลสกรรม ก็ทําให้คนตายนะทีนี้ท่านเหล่านี้มันมันมันก็มนไม่เรีย ก, กว่าตายอะ่ะเขาเรียกว่านิพานนิพานจึงไม่ใช่จุติท่านก็เรียกให้มันตา่างออกไปเรียกว่าเป็นนิพานบ้างเป็นวุฒบ้างแต่ในกรณีนี้เรียกนิพานนะส่วนใหญ่เราจะเจอว่าเรียกนิพานแล้วก็เมื่อไม่มีการยุติไม่มีอะไรจุติมันก็ไม่มีอะไรอุบัต ไม่มีอะไรเกิดเมื่อไม่มีการตายก็ไม่มีการเกิดไม่มีผู้ตายก็ไม่มีผู้เกิดเพรื่องการตายการเกิดมันต้องผู้นะฮะต้องมีตัวตนสร้างขึ้นมาหลังนี้ตามหลักอวิชชาปัญญาสังกรัรตังกาลปัญญาบิณญาณวิญญาณอปัญญาน า, ญญ า, น า, า, นามะโลังเกิดตัวตนขึ้นตรงนั้นแล้วก็บอกว่าเมื่อไม่มีการจุติและการอุปะ อุปบัติโลกนี้โลกหน้าก็ไม่มีขยาวไปพูดว่าพระพุทธเจ้าอยู่โลกนั้นโลกนี้อยู่ในอะไรละเมืองแก้วกล่าวแล้วคืออมตะหมานครนิรพานอายตนานิพานสุขาวดีพุทธกเกษรตรอะไรต่ออะไ ร, ต, ะร ต, ะต่างๆเป็นการทำลายปุกคลิกภาพที่ยิ่งใหญ่ของพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้า เพราะ ย, าย่าลืมนะผู้เจ้าจะมากด้วยการุณาจนไม่อาจาประมาณได้คนที่การุณาเขาไม่อยู่นิ่งหรอกคนเมตตาคนการุณาคนขยันเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งจิตใจจะมองแต่จะช่วยสัตว์อนุเคราะห์สัตว์โลกเพราะผู้เจ้าเป็นโลกาโนกามปโกเป็นผู้นุเคราะโลกนรือนนอยู่เฉยๆอยอาจจะนานานิพพานถึงสอง0ัน 2, กว่าปีได้ไง เป็นการทำลายปกติคุณภาพของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยฐานะร้อยกว่าพระเจ้าในศาสนาเทวนิยมทั้งหลายซึ่งคนไม่เคยคิดนะพระศาสนาในเทวนิยมพระเจ้าในเทวนเานิยมทั้งหลายนี่เขถู ก, ถกถติดต่อได้ก็ติดต่อได้แต่เราติดต่อไม่ได้ติดต่อเป็นองค์ไม่ได้นะติดต่อพระคุณน่นก็ได้ วันโบราณถึงบอกว่ายังเหลือแต่พระคุณแม้สเสด็จพระนิพพานานานแล้วยังเหลือแต่พระคุณทีนี้เมื่อไม่มีการจุติไม่มีการบัติก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นแล้วก็ไม่มีระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่มีนี่แหละที่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์เรยียลูมจุติเนี่ยมคือเกิดอะจุติคือตายอะตายก็เป็นทุกข์นะอุบัติก็คือเกิดเกิดก็เป็นทุกข์นะ เป็นสภาวัตถุคือยังนึกไม่ออกมีหนังสือคือเขาเคยส่งมาให้เรื่องนิพ า, า, า, านเป็นอายตนะนิพานนี้ผิพานไปอัตตาเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าทำไมท่านไม่ดูท่านไม่ดูที่ปฐัยบิดโดท่านไปอ้างหลวงพ่อหลวงปู่อะไรต่ออะไรในปนะัจจุบันทำไมท่านไม่ถามเราคุณเดจ้า ทำไมท่านไม่ถามคนอื่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองด้วยโปร่งเองตั้งแต่ธรรมจั ก, กรวัตนสูตรมาแล้วถ้าเราตั้งเกตฑ์ว่าคุณธรรมเหล่านี้ระดับหนึ่งเราสัมผัสได้ได้กันยิ่งแต่ว่าใครสัมผัสได้ลึกได้นานมากน้อยแค่ไหนเพียงใดแต่นั้นเองต้องฟังแต่ไรจึงทำจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเถึงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรม มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี